บทที่5้ทางแยกบทความหลายเรื่องในหนังสือเล่ม น, นี้ได้เล่าถึงเส้นทางสายเอกของการเจริญวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้กับพุทธสาวกทั้งหลายแต่เส้นทางสายนี้มีทางแยกให้เราสับสนและเดินผิดทางอยู่เป็นระย ะ, ะยะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของเราเองการได้รู้เส้นทางที่ผิด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 พนจากการต้องเกิดมีขันห้ารูปนามกายใจอันเป็นกองทุกข์ลองพิจารณาดูเถอดว่าอะไรเป็นทุกข์ถ้าไม่ใช่กายทุกข์ก็ต้องใจทุกข์นั่นแหละดังนั้นถ้ายังมีกายมีใจก็ต้องมีทุกข์ร่าไปส่วนจุดมุ่งหมายระยะสั้นได้แก่การพ้นทุกข์ทางจิตใจอันเนื่องมาจากกิเลสตัณหาต่งตางๆที่คอยบีบคันจิตใจอ ย, อยู่เกือบตลอดเวลา ดังนั้นถ้านักปฏิบัติธรรมมุ่งไปสู่จุดหมายอื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติปัญญาลดละตัณหาเช่นมุ่งปฏิบัติเพื่อจะได้เกิดในภพภูมิที่ดีนับตั้งแต่พรหมโลกลงมาจนถึงกามสุคติภูมิคือสวรรค์หรือมนุษย์ประเภทหลอ่อสวยรวยเก่งหรือโชคดีตลอดกาลหรือปฏิบัติเพื่อแก้กรรมสะเคราะห์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 ทำสองประการนี้สำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ากันละยานมิตรอย่างหนึ่งและโยนิโสมนสิการอีกอย่างหนึ่งคือทั้งหมดของพรหมจรรย์หรือการประพฤติปฏิบัติธรรม